ตอะรหโตสัมมาสัม <Blair> พ <z Could> ุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ส่วนสังขารจิตนั้นเมื่อปรุงแต่งอะไรแล้วก็แสสายลุ่มหลงโัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสมีหน้าที่ละหรือในธรรมจักท่านว่าปหารตประทำประหารทิ้งประหารก็คือละทิ้งลอยทิ้งออกไปย่าได้ลหลงไหลไปกับสังขารจิตนั้น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 แต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะเหมือนรูปร่างกายของคนเราไม่มีจิตนั้นไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องของโูก ป, ประขันจิตผู้รู้จริงๆอะ ไม่มีเพศหญิงเพศชายธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากอย่ามาเย็ดถือจิตนี้น่นว่าคำว่าพระภิกษุสาวกในทางพุทธศาสนาหรือคารวะญาติโยมในครั้งสมัยครั้งพุทธกาล ท่านภาวนาได้ท่านละกิเลสละสกายทิทิวิจิกิจฉาสีละพัตตาปรามาตได้เด็ดขาดไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรก็ถึงซึ่งสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านภาวนาได้ทุกเวลาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะภาวนาได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นอนโยท่านก็ภาวนาได้คือท่านละกิเลสในใจของท่านได้ไม่เชื่อไม่หลงต่อต่อไปอีก เรียกว่าตัดอารมณ์นั้นให้มันเด็ดขาดไปคำว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นกายะก็เนื้อตัวนี่แหละจิตมันมายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราดูง่ายๆถ้าหาว่าโทวความตีเตียนนินทาขึ้นมาในบุคคลผู้นั้น ทั้งๆ ท, ที่ชื่อนั้นก็เขาสมมุติขึ้นมาว่าชื่อกกชื่อขอชื่อดีซื่อดาอะไรก็ตามมันก็เพียงสมมุติขึ้นมาว่าคนนั้นชื่อนั้นถ้าโทความดุดาว่าลายปลายสีให้แก่กันเพียงคำพูดเท่านั้นแล้วก็จิตใจก็บุ่นวายไม่สบายแล้ว นานลาวคือว่าจิตมันหลงสมมุติมันไม่รู้ว่าโลกเขาสมมุติสมมุติว่าสรรเสริญเยินยอสมมุติว่าติเตียนนินธาจิตมันก็ไปยึดเอาถือเอาผู้ภาวนาท่านจึงให้เลิกละอาการภายนอกอาการภายนอกคือโลกกระทม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 ภาษาโลกเขาจึงพูดมานานสอนมานานแล้วว่าลมแดงมันไม่แรงเท่าลมปากเขาไว้เองนะลมพัดต้นไม้ป่าดงให้หักพังบ้านเรือนคนเราพังโรงลำ่ำโรงเรียนโรงพยาบาลโรงอะไรก็ตามเกิดความเสียหาย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 หรือว่าเราถูกติเตียนนินทาในเวลาเรานั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือนั่งภาวนาก็ตามถ้าเราลกจากที่นั่นไปแล้วกะอย่าไปเก็บเอาไปด้วยหรือเราได้รับความติเตียนนินทาในเวลาลงอยู่ในแม่น้าลําคลองเวลาขึ้นจากแม่น้าลําคลองแล้วก็อย่าไปเก็บเอามาอีก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 อย่ามายึดแค่วันหน้าของข้าตาขาของข้าแข้งของข้าเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยึดมั่นถือมัน่นต้องถามดูว่ามันบ่นไหมร่างกายสังขารเนื้อหนังมังสังเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันบ่นว่ายังไงตามความเป็นจริงเขาไม่บน่น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 เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจนี่ลหลงไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสกิเลสนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนี้เมตาก็จิตหลงไปตามลูกลูกกับตา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 จึงมีวิธีการนั่งภาวนาเป็นส่วนรวมคือให้ทำพร้อมๆกันไปฟังทำไปอันนี้เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนอกจากอย่างนี้แล้วตัวเองก็ฝึกตัวเองอีกให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีกายสงบวาจาสงบจิตสงบ ตั้งมั่นในจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่สุดเลยจึงจะกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจนี้ได้ดีจึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาขึ้นมาในหัวใจของตนจิตใจก็จะได้สงบประงับเย็นสบาย เอานั่นการภาวนาปฏบิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาจึงมีข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างหลายประการหลักของศีลกายวาจาหลักของศีลห้าหลักของศีลแปดหลักของศีลสิบเสียนสองรอยี่สิบเจ็ด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 ชะาเป็นไปไม่ได้รู ป, ปรขันร่างกายของเราแม้ยังเด็กอยู่ก็อย่าเข้าใจว่ามันจะเป็นเด็กเลื่อยไปยังหนุ่มแข็งแรงโยก็อย่าเข้าใจว่ามันจะหนุ่มแข็งแรงเลื่อยไปมันจะต้องถึงซึ่งความแก่ความชะลาเมื่อแก่ชะลาแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่แค่แก่ชะลา ทุกปีทุกเดือนทุกหลายสิบปีมันก็ยิ่งแก่ค้ำค่าเลื่อยไปห้ามไม่ได้แก้ไม่ตกพระพุทธเจ้าท่านจะให้แก้ใจแก้จิตนะเอาจิตใจมาปฏิบัติบูบชานัน่งบริกรรมภาวนาพิจารณาหลักของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้จิตใจวันไหวไปตามโลกกระทำแปดประการ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 สงบได้ทุกวันคืนเดือนปีไม่ลหลงไหลไปตามรูปเสียงบินลดโผฏฐะธรรมลมด้วยการมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นในองค์พุทโธ ท, ที่ตนนึกอยู่หรือในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารของตัวคนเหล่านั้น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 จิตของเรายาได้หลงไหลไปกับความสมมติของโลกนั้นหน้าที่ของเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์รักษาศีลห้าของตนให้บริสุทธิ์เว้นจากฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกรมกล่าวมุสาว่าดื่มจินสุรามลาีลัยไม่ให้มีนายกายวาจาจิตของเราผู้รักษาศีล ตั้งจิตเจตนางดเว้นได้ว่าไม่ทำไม่ประกอบไปในทํานองนั้นถ้าผู้ใดยังล่วงเกินในหลักศีลห้าชื่อว่าทำบาปทำกรรมอยู่ตลอดเวลาบาปกรรมนั้นนั้นมันก็ต้องสนองคืนมาเลาชอบฆ่าสัตว์ สัตว์นั้นก็ได้เสวยวมันเป็นมีดวงใจคลองอยู่เหมือนกันเวลาสัตว์ใหญ่ๆคนเขาไปฆ่ามันจะล้องสุดเสียงอย่างว่าสุกรหมูอย่างนี้เวลาเขาฆ่าเขาทำลายชีวิตมันเสียงล้องสุดเสียงจนกระทั่งตายจึงจะหยุด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 ำเอาจงเขาตายเขาตายแล้วก็กินเนื้อเขาเวลาเสือมันจะมากินเนื้อเราก็ไม่ยอมพ่อได้ยินว่าเสือเห็นลอยเสือเท่านั้นเราก็กลัวเพราะว่ากลัวเสือจะมากินเนื้อตัวเองแต่เรากินหมูกินเป็ดกินไก่กินได้แต่สัตว์อื่นมากินแล้วยอม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 นักเข้าก็ฆ่าสัตว์มากเข้าเลยฆ่าคนก็ได้หลงขอนี่คือว่าใจมันบาปหยาบช้าทาลุนใจบาปอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นว่าจิตใจเราอย่างเป็นจิตใจบาปหยาบช้าทาลุนอยู่จึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของเราให้เข้าสู่ศีล ให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ปัญญาจนเกิดมรรคผลถึงซึ่งนิพพานจึงจะเป็นสถานที่เรียกว่าเยือกเย็นสบายไม่มีภัยอันตรายแก่มนุษย์ไม่มีภัยอันตร า, ายแก่สัตว์สิ่งห์ดิราชานเรียกว่าเป็นผู้ภาวนา ในทางพุทธศาสนาตามเข้าไปละกิเลสความโกรธในใจได้ตามเข้าไปละกิเลสความโลภในใจได้ตามเข้าไปเลดความหลงด้วยการบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบตั้งมัน่นด้วยการพิจารณาหลักอนิจจังถุกขังอนัตตาให้เห็นแจ้ง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 ความโกรธขัดเพื่องความอิทชา้าพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นํำละแก้ไขจิตใจที่หลงหลงลืมลุ่มหลงภาวนาอยู่ในใจไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวกาออับกับอารมณ์ต่างๆ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 โดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนานั้นพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนไว้ว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนผู้มุ่งหวังเพื่อจะไปสู่ความพ้นทุกภัยในวัฏสงสารนั้นจะต้องกราบพระไหว้พระธรรมวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนานทางกายวาจาสงบ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 เวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าวิกรมวิการร่างกายสังขารจะเห็นได้ว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติบูบชาภาวนานั่นเกิดความทุกข์มากแกจะบ่นเพ้อลำเลียไปตามภาษาของคนไม่รู้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปนั่นคือว่าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลความโกรธเชียก่อน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 จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาละกีเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดนั่นแหละเรียกว่าสาวกโกสาวกพระพุทธเจ้าท่านภาวนาบริกรรมพุทธโธได้ตลอดกาล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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละฉะนีีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตราโย ο. สุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาชิริสนิตยังวุธาปัยิโนจตตารธรมรมาวทันติ อายุวันโอสุ ข, ขังผาลัง <c oughs> การนั่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญฝึกหัดนิสัยใจคอของตัวเองให้มันกล้าหาญจะไปคอยอยู่ม่นได้ มรรคผลนิพพานบุญเจของคอยเป็นการทำให้เกิดใ่มีขึ้นในจิตใจของทุกๆองทุกคนจะไปคอยให้บารามีแก่โดยไม่ทำไม่ปฏิบัติมาได้ต้องปฏิบัติ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 การเดินนั่นแรว่าเป็นประโยชน์มากผู้ ท, ทำความเพียรแผดเผากิเลสนั้นถ้าขาดการเดินจมกรมมีแต่นั่งไปสักหน่อยก็เหงานอนแล้วก็นอนไปเสียก่อนนอนตื่นขึ้นมากั บ, บินบาดบทันโมูล้ ได้วิ่งไปบินบาดงั้นต้องให้ตื่นก่อนตือนก่อนตีสามตีสามนั่นบทส้นละคังมันดังเองมันต้องมีผู้ตีผู้ตีละคขังผู้ปูเสือศาสตร์อาธนะมันต้องตื่นก่อนสาม น, นั้นทุกๆุกองต้องเ ต, งตืนก่อนละคัง ระครังดังแล้วไม่มาอีกตอนเช้านั้นมักจะนอนลวดเลยไปที่ว่างอยู่เยอะแ ย, ะ, ยะตอนเช้าต้องให้เดินจมกรมพองการเดินจมกรมนั้นเป็นอุบายสำคัญจึงได้เตือนให้ระลึกถึงพระ อรหันตาอง์หนึ่งในข้างพุทธกาโน้นคนเดินจมกลมจนเท้าแตกแล้วก็คานคานจนเข่าแตกก็ยังไม่ถอยความเกียด น, น, นอนขวางทางจมกลมกลิ่งเอาไปกิ่งปายพุทโธไปสุดทางก็กิ่งกลับมา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 นั่งสมาธิภาวนาก็โอ้ยได้เดินสองชั่วโมงนี่ก็ตายแล้วนั่นละมันไปคาตายหลวงปู่มัน่นเป็นโบเห็นคาเป็นเอาจนได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตอนหัวค่ำมันก็นเดินได้สองชั่วโมง4สียทุ่มมันกนจํำวัด ตื่นนอนมากลัลงเดินจมกลมสองชั่วโมงขึ้นไหวพระสวดมนต์ทำไมอย่างนั้นพันกันเดินจมกลมสองชั่วโมงบบเห็นท่านตายก่อนอายุแปดสิบอายุหลวงปู่มั่นนแปดสิบเป็นเดินจมกลมแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บใครใดป่วยพระเนนองใดที่เจ็บเล็กเจ็บน้อยเป็นไข้นิดหน่อยก็นอนะท่นานไม่ยอมให้ลุกเดินจมกลมเมื่อเดินจมกลมเส้นเอ็นมันเยืดเส้นเยืดสายไข้เล็กๆเกนโน้ยมันก็หายไป ดังนั้นใาการตั้งใจขึ้นมาสถานที่วิเวกนั้นจะหาสถานที่เกินที่ทำผ้าปล่องบริเวณเขาลูกนี้ในได้หาได้ยากเป็นเขาที่เป็นมงคลอาจารย์ใหญ่หญสมัย นี่ก็ดีสมัยก่อนก็ตามเป็นม า, า, นน า, าภาวนากันทำผ้าปรองทมเชียงดาวจึงเป็นธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นมงคลนอกจากพระอรหันตตาแต่ก่อนเป็นมาภาว น, นามานิพพาน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 ให้คนได้กินได้ใช้ได้ทำไร่ทำนามรรคผลนิพพานมันไม่ใช่น้ำฟ้าน้ำฝนมันเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติผู้ปาวนาจะไปนั่งคอยท่าเอาไม่ได้ต้องทำไหว้พระ ให้ได้ทุกวันทุกเท้าทุกเย็นนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกเท้าทุกเย็นแล้วก็นอกจากนั่นก็เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันประมาทเมื่อใจประมาทมันเลินเล่อแล้วท่วานไม่เอาฐานไม่ตั้งใจ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 ม า, ามาเอาโถกันละมันเนี่เอาสีไฟถ้าเอาไม้นั่นทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟแต่เอามาโถ ก, กันโดยไม่นานนะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสามทิศนาทีก็ได้ไฟขึ้นมาใช้ไม่ไผที่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 ในหลักใหญ่ๆท่านจึงว่าทานศีลภาวนาเมื่อพุทธบริษัทเชื่อเรื่มใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีทานมีศีลคือรักษาศีลห้าศีลแปดรักษาศีลสิบก็บวชเป็นสามมันเนชรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็เป็นภิกษุ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 บุคคลผู้นั้นก็ได้ไฟมาใช้มาหงต้มทำอยู่ทำกินของคนสมัยโบราณอันนี้คือว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำไม่ใช่นั่งภาวนาพอเป็นพิธีอย่างนี้โบไหนต้องทำตั้งใจทำจริงๆ แล้วว่าตั้งใจนึกตั้งใจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทําสิ่งใดไม่ดีอย่าไปพูดสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดไปนึกมันตัดความสิกธ์ของตัดความคิดที่ออกนอกเรื่องนอกราวออกไปให้นึกให้เจริญในคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมประสงค์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 อันมรนะกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนไว้เน่มันแน่นอนคนเราคิดเอาเองนี่ไม่แน่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอาจตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันเป็นความจริงบางคนไม่มีโรคอะไรหลยเมื่อยังไม่หลับไม่นอน ก็ดีๆอยู่หลับไปหน่อยแล้วกเกิดเออเอออาอาขึ้นมาเอาลรามันตายไปมันรวดเร็วที่สดความตายดงนั้นพระองค์จึงสอนลัดเข้าไปเลยที่เดียวว่าให้สาวกของเราตถาคต ภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกนะแล้วพระองค์ก็ตัดสิว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองมรณะกรรมฐานนี่พระองค์ไม่ได้ทิ้งได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งเถลอะอยู่เหมือนพระพุทธโลกไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธโลก พระพุทธเจ้ามันไม่ได้นั่งเหมือนพระพุทธรลกยืนเดินนั่งนอนเทศนาว่าการตักเตือนพระภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีอบาสกอบาเิกาให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งเหมือนพระพุทธิพระพุทธโลกพระพุทธเจ้า อันนี้ผู้บวชผู้ไม่บวชก็ตามให้ภาวนาด้วยตนเองการปฏิบัติภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นจะยิบยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกเหมือนสตางเป็นของมีค่าจะต้องจับจ่ายใส่สอย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 บางคนก็มาหาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ขอเอาขอว่าหลวงปู่หลวงตาได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ขอให้กับผมให้ข้าเจ้าได้สําเร็จมรรคผลอย่างหลวงปู่หลวงตาเถิดอ่มันขอเอาอย่างนั้นไปขอได้อย่างไรขอก็ได้แต่คําขอนั่นลนะ เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้เราต้องตั้งใจทำลงไปคำว่า